ข้อที่แล้วมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะของโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ส่วนข้อนี้เป็นการแสดงลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยตรงเรื่องเช่นนี้จะว่าตอบง่ายหรือยากก็ได้ทั้งสองทางสมมุติว่าข้าพเจ้าจะถามท่านว่ากายเนื้อของท่านนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือการที่ท่านเป็นชาวมนุษย์ครองกายเนื้อและมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง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 จึงพอใจผู้ที่ตั้งคำถามหรือมีความสงสัยในเรื่องเช่นนี้อยู่มากซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามบรรยายให้ทราบเท่าที่จะทาได้ประการแรกขอให้ท่านนึกถึงกายเนื้อของท่านเสียก่อนกายชนิดนี้เป็นของหยาบและหนักมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอยู่เสมอซึ่งจะต้องให้ได้รับการพักผ่อนหลับนอนตามเวลานอกจากนั้นมันยังรู้สึกหิวและกระหายอยู่บ่อย ซึ่งต้องหาอาหารบ้างเครื่องดื่มบ้างมาปรนเปรอเพื่อดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมิฉะนั้นก็ทนไม่ไหวนอกจากนั้นยังเป็นสาธารณะแก่ความหนาวร้อนโรคภัยแค่เจ็บนานาประการซึ่งต้องหาเสื้อผ้าปกคลุมและเยียวยากันบ่อยๆเป็นความลำบากและยุ่งยากรำคาญทั้งกายและใจแต่ก็ยังไม่หมดเนื้อเรื่องความลำบากของร่างกายเพียงเท่านี้เพราะ อ, าอวัยวะแขนขาเป็นต้นของกายเนื้อนั้น ต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่เสมออาจจะขาดหักหรือชำรุดพิการไปเมื่อไรก็ได้อากเกิดอุบัติเหตุยังรุนแรงซึ่งไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไรแม้ว่าจะปลอดจากอุบัติเหตุดังกล่าวไปได้เมื่อถึงราวเวชราอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสของกายเนื้อก็จะหย่อนประสิทธิภาพลงโดยลาดับซึ่งทั้งที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของมันก็ยังบังคับไม่ได้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 เท่าที่พอจะนึกได้เกี่ยวกับความทุกข์ของกายเนื้อซึ่งท่านก็คงจะพอสรุปลงความเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์และความเศร้าหมองเพียงใดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้อื่นมากกล่าวคืออาจจะมีร่างกายแข็งแรงมีอินทรีย์สมบูรณ์และนำชีวิตให้ปลอดจากอุบัติเหตุและเป็นอันตรายตลอดจนถึงโรคภัยแค่เจ็บต่างมาได้ก็ตามถึงกระนั้น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 ไม่มีความทรมานจากหนาวร้อนจากความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเหตุร้ายหรือความเสื่อมโทรมอย่างใดนั่นแหละคือกายทิพย์และผู้กรองกายทิพย์จะรู้สึกอย่างไรก็ลองนึกเอาเองเมื่อข้าพเจ้ายัางรองกายเนื้อในมนุษย์โลกก็ต้องผ่านความทุกข์ยากอย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ซึ่งร่างกายต้องได้รับความเจ็บไข้จนทนไม่ได้และทําให้ข้าพเจ้าต้องละจากกายเนื้ออันเป็นภาวะที่ชาวโลกมนุษย์สมมุติเรียกกันว่าความตายและในขณะที่หลุดจาักกายเนื้อนั่นเองข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าได้หลุดจากความทุกข์นานาประการของร่างกายเหลืออยู่แต่เพียงกายทิพย์ซึ่งเป็นตัวของข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ในขณะต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้สนทนากับเอ็ดวินอยู่ ใ, น ใ, น ใ, นในกล้ๆกับเตียงนอน ซึ่งกายเนื้อของข้าพเจ้านอนทอดหาชีวิตไม่ได้แล้วนั้นข้าพเจ้ารู้สึกปลอดโปรง่งหายจากความทุกข์ต่างๆซึ่งต้องทนรับช่วงจากกายเนื้อมาอยู่เมื่อกี้นี้อย่างกระปลิตทิ้งทําให้รู้สึกว่ามีความเบาและโล่งขึ้นอย่างแปลกประหลาดทันที่ข้าพเจ้าได้เห็นกายเนื้อของตนนอนทอดปราศจาชีวิตอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้แล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้ายังมีร่างกายทุกส่วนครบบริบูรณ์ มีแขนมีขามีปากยังสามารถเดินเหินได้เห็นได้พูดจาสนทนากับเอ็ดวินได้เป็นปกติแต่อันที่จริงในขณะที่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีได้กังวลถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดคงพูดจาสนทนากับเอ็ดวินต่อไปเป็นปกติในทํานองเดียวกันกับพิท่านยอมทํางานหรือพูดคุยกับใครได้ตลอดทั้งวันโดยไม่จาเป็นที่จะต้องไปนึกคิดให้เสียเวลาว่าเรายังคงมีร่างกายอยู่หรือเปล่า ตลอดเวลาที่ทำงานหรือพูดคุยอยู่นั้นเพราะมันเป็นของธรรมดาเหลือเกินว่าใครจะมามัวนั่งคิดถึงเรื่องเช่นนี้แต่มีความจริงอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งเวลาผ่านไปข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีความสบายใจและปลอดโปร่งยิ่งขึ้นทุกขณะเป็นความรู้สึกทั้งของร่างกายและจิตใจซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยประสบมาเลยตลอดสมัยที่ยังครองกายเนื้ออยู่ ความรู้สึกเช่นนี้ท่านผู้เป็นชาวโลกมนุษย์ผู้ตรงแบกภาระหนักของร่างกายเนื้ออยู่ตลอดเวลาจะไม่มีวันเข้าถึงหรือนึกฝันได้เป็นอันขาดข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองแล้วได้เคยนึกหาคำเปรียบเทียบมาแล้วแต่ก็จนปัญญาจริงๆไม่สามารถจะหาคำพูดของชาวโลกมนุษย์มาบรรยายให้ท่านเห็นได้ทั้งท้งที่ข้าพเจ้าก็ได้เคยมีชื่อว่าเป็นนักเขียนผู้หนึ่งเหมือนกัน ภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้หลุดจากกายเนื้อมาเสียก่อนเท่านั้นจึงจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์มันอยู่เหนือวิสัยของมโนภาพและจินตนาการทุกอย่างของชาวโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้อาจจะยืดยาวอยู่สักหน่อยแต่ก็รับรองว่าไม่มีสิ่งใดเกินความจริงไปเลย ถ้าจะมีอยู่บ้างก็เป็นความบวกพร่องในข้อที่บรรยายได้ไม่ถึงความจริงเท่านั้นในขณะที่กล่าวถึงนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจิตใจของตนเองนอกจากจะมีความปลอดโปร่งดังที่ได้บรรยายมาแล้วก็ยังมีความแจม่มใสและมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างประหลาดข้าพเจ้าสามารถระลึกย้อนหลังไปถึงการกระทาและคมพูดทุกประการที่ต้องการจะระลึกได้ไม่ว่าจะนานมาแล้วสักเท่าไหร่ กล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อกายทิพย์ของเราได้พากจากกายเนื้อมาแล้วเช่นนี้เราจะมีสติหรือความจำดีขึ้นมากสิ่งใดที่ทำพูดหรือคิดไว้แล้วจะไม่มีวันลืมเลือนเลยบางอย่างที่เรานึกไม่ได้ในขณะที่ยังครองกายเนื้ออยู่นั้นก็จะนึกขึ้นได้ในตอนนี้เองทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจได้ลบเลือนไปไม่แต่จะฝังแน่นเป็นรอยพิมพ์ใจ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 เราก็ทำได้รวดเร็วมากเพราะกล้ามเนื้อทุกอย่างอยู่ในความควบคุมบังคับของจิตใจโดยสมบูรณ์อย่าลืมว่าเราก็มีกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันปราบแด้ที่จิตใจต้องการจะให้เป็นไปอย่างไดแล้วจะไม่มีการเผลอพลยพลาดพลัง้งหรือเลื่อนถลายออกนอกทางของจิตใจได้เลยเป็นอันขาดซึ่งท่านคงจะจาได้ว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งว่า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 และก็ไม่ใช่อวัยวะแขนขาของร่างที่ปราศจากชีวิตแต่อย่างใดเพราแม้เราจะได้ถูกชาวโลกมนุษย์ขนานนามว่าตายแล้วก็ตามแต่เราถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์หรือจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ําเรามีอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสครพบถ้วนทุกประการเราสามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วรู้สึกเนื้อคิดได้เช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกัน ถ้าจะผิดกันบ้างก็คือว่าอินทรีย์สัมผัสของเราทุกประการเจียบคมกว่าของมนุษย์มากมายหลายเท่านักทั้งนี้เพราะอินทรีย์สัมผัสของมนุษย์ทั้งหลายถูกทวงให้หนักและขัดข้องและจํากัดอยู่ด้วยความหนักอุ้ยอ้ายของกายเนื้อซึ่งเป็นส่วนมากแบบนี้เมื่อเราไม่มีกายหยาบเช่นนั้นเป็นเครื่องทวงและขัดขวางต่อไปแล้วประสาทสัมผัสต่างๆของเราจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ในสภาวะอันเป็นทิพย์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนล่าสาเร็จด้วยใจทั้งสิ้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทิพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกฤวิกาของกายเนื้อประการใดๆที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมเช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปในทันทีในเมื่อกายทิพย์เลี้ยพร่าจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้วทั้งนี้เพราะความวิกลวิกาเหล่านั้น เป็นส่วนของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่สามารถเข้ามาครอบงมร่างที่เป็นทิพย์ได้อีกต่อไปทุกคนในโลกทิพย์จะมีร่างที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์เหมือนกันหมดในที่นี้น่าจะหมายถึงเฉพาะร่างกายของผู้ที่อยู่ในสุขติภูมิเท่านั้นนะครับมนโนไมากายกายที่สำเร็จด้วยใจ หมายเหตุของผู้แปลข้อความที่แสดงลักษณะทั่วไปของกายทิพย์ดังกล่าวมานี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นทํานองเดียวกันคือในศิลขันธวั์ทีฆานิกายปุถะปาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสบรรยายแก่โปุถปาทบริพาชกถึงเรื่องตัวตนสามชั้นคือชั้นกายอยาประกอบริฏฐาสีต้องให้น้าปอนข้าวอยู่เสมอหนึ่งกายที่สาเร็จด้วยใจหนึ่ง และกายที่เป็นอรูปหนึ่งกายทิพนี้ก็คงจะเป็นกายชั้นสองนั่นเองซึ่งมีคำบรรยายสภาวะไว่วาเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจคือมโนมยัยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนเหมือนกายเนื้อมีอินทรีย์ประสาทสามารถรับความรู้สึกต่างๆได้ไม่หย่อนกว่ากายเนื้อหยาบเลยท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงสอนว่ากายหรืออัตตาทั้งสามประการนี้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 จะมีความเป็นอยู่ที่มีปีติสุขปราโมทมีสติสัมปชัญญะและมีความสงบระงับด้วยความงามหรือความน่าเกลียดของกายทิพย์ขึ้นอยู่กับจิตใจในโลกมนุษย์วัยอันเป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายคือวัยหนุ่มวัยสาว เป็นระยะเวลาที่ร่างกายและจิตใจถึงความเจริญขั้นสูงสุดแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นั้นวัยหนุ่มวัยสาวเช่นว่านี้อยู่ในระยะตอนกลางแห่งอายุของบุคคลโดยทั่วไปแต่ในโลกทิพนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นวัยหนุ่มสาวของเราเป็นวัยที่ทรงตัวอยู่ในระยะปลายและคงอยู่เช่นนั้นไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้น บุคคลที่ถึงแก่ความตายจากโลกมนุษย์มานั้นเป็นผู้ชราภาพรันมาสู่โลกนี้แล้วยิ่งอยู่นานไปก็จะยิ่งเป็นสาวขึ้นทุกขณะส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเมื่อยังเป็นเด็กรันมาอยู่ที่นี่นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกประกรรมลำบากม า, มามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่นานๆไป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 ก็ยังไม่สามารถอนุมานได้ว่าใครมีจิตใจผ่องใสหรือชั่วช้าเพียงไหนเพราะผู้ที่มีร่างกายน่ารักสมบูรณ์และสะอาดนั้นอาจมีใจที่สกรปรกชั่วร้ายอย่างเหลือแสนก็ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีเรือนร่างงานขี้ริ้วขี้เราความน่าดูไม่ได้เลยนั้นอาจมีจิตใจพระนิริบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็ได้แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไป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 กล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือร่างทิพนี้จะเป็นร่างเปลยล่อนจ้อนหรือเปล่าหรือถ้าหากมีอะไรปกคลุมสิ่งนั้นจะเป็นผ้าผ่อนแผ่พันชนิดใดหรือสีใดเสื้อผ้าของกายทิพย์สำหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโลกมนุษย์และเพิ่งเข้ามาสู่โลกทิพนี้ ในระยะแรกๆนั้นจะมีเครื่องนุ่งห่มชนิดเดียวกันกับที่ตนห่มอยู่เมื่อก่อนจะสิ้นใจนั่นเองความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิ่พอสมควรและบุคคลเหล่านั้นจะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปอีกนานสักเท่าใดก็ตามใจชอบโดยไม่มีผู้ใดว่ากล่าวแต่โดยมากพอรู้และเข้าใจถึงสภาวะของโลกและชีวิตใหม่เช่นนี้แล้ว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 มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามชั้นภูมิของโลกทิพนั้นๆทั้งในด้านสีสันวันนะและแบบซึ่งจะมีความหยาบและละเอียดผิดแปลกจากกันไปตามความประนีตของชั้นภูมิต่างๆกันอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าดังกล่าวนี้จะมีความยาวปกคลุมเต็มร่างจนมาถึงเท้าเสมอและยังมีความยาวพอที่จะม้วนและจีเพืเป็นพับๆได้อย่างน่าดู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 โดยมากมากจะมีอัญมณีนานาชนิดประดับประดายอย่างบิจจิตบรรจงนอกจากนั้นท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านี้จะสวมมงคลอันสุข ป, ปลั่งรอบศรีรษะของท่านอีกด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของข้าพเจ้านี้บางท่านก็มีโอกาสได้สวมมงคลเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คงมีลักษณะแตากต่างกันไปบ้างตามชั้นของภูมิที่ต่ากว่า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 คือผู้ใดต้องการจะสวมหรือไม่ก็ได้ตามใจชอบเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาเป็นส่วนมากก็รู้สึกว่าสวมรองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งสิน้นแต่อันที่จริงก็มีอยู่หลายรายเหมือนกันที่ไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าซึ่งทางนี้ก็เป็นความพอใจส่วนบุคคลนั่นเองไม่มีกฎหรือไม่มีความจาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะคอยวิพากวิจารผู้อื่นในเรื่องนี้ แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องสวมใส่ไว้เพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศอย่างใดเลยลักษณะของเสื้อผ้าทิพมีอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่ใสหรือโปร่งตาดังที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากเข้าใจกันความจริงก็เป็นของทึบมีเนื้อแน่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกันมีใจเป็นแต่เพียงเงาเงาอย่างหนึ่งอย่างใดเลย ทั้งนี้ก็เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิพนี้มีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิน้นจึงสามารถมีสภาวะเป็นทิพเท่าเทียมกันหมดแล้วเรายิ่งเลื่อนภาวะอันเป็นทิพของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความถี่หรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกทีซึ่งเราผู้อยู่ในภูมิต่ำและคุ้นเคยอยู่กับอัตราความถี่เพียงขนาดต่ ำ, ตำ ย่อมนึกไม่ถึงได้เลยว่าสภาวะของท่านเหล่านั้นจะเป็นเช่นนั้นได้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านทั้งหลายคงจะพอเห็นได้บ้างตามสมควรแล้วว่าการครองร่างทิพนั้นเป็นภาวะที่น่ารื่นรมเพียงใดตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบสนทนากับชาวโลกทิพทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้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 มีความถี่สูงจนเชื้อโรคผ่านเข้ามาไม่ถึงนั้นก็ขอให้คิดว่าคล้ายจะบอกว่าคนเกเรในภูมิต่ําก็ไม่สามารถเข้ามาทํำร้ายเบียดเบียนท่านได้เช่นกันแต่ถ้าจะเทียบว่าสัตว์เดรัจฉานยังไม่เกิดเป็นโอปปาติกะในสวรรค์ได้ต้นไม้ซึ่งท่านก็บอกว่ามีชีวิตเช่นกันยังมีในโลกทิพย์ได้เชื้อโรคเป็นเป็นชีวิตที่ไม่มีใจครองเหมือนต้นไม้ก็น่านจะเกิดมีในโลกทิพย์ได้เช่นกัน และถ้าจะมีจริงก็คงเกิดมีได้แต่อายภูมิเท่านั้นซึ่งผู้รู้ท่านหนึ่งก็กล่าวว่าเชื้อโรคอาจถือเป็นโอปปปาติกาชนิดหนึ่งเพราะผุดเกิดทันทีเช่นกันหรือถ้าจะมองในเรื่องของจิตสภาพทิพที่ปราณีตได้มาจากจิตที่ปราณีตหล่อเลี้ยงด้วยพลังทินพนากุศลพลังอกุศลย่อมผ่านเข้ามาไม่ได้เหมือนเป็นคนละลื่นความถี่ ยกตัวอย่างในโลกมนุษย์หากเราไปนั่งใกล้คนทุกใจหนักแม้เขาไม่บอกเราเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเป็นการรบกวนของคลื่นอากุศลที่เขาแผ่ออกมาหากเราไปนั่งใกล้พระปฏิบัติดีจะรู้สึกเย็นเป็นสุขอย่างประหลาดจิตแผ่พลังงานออกมาให้สัมผัสได้เจ้าโรคในที่นี้อาจหมายถึงพลังงานลบต่างๆก็ยอมผ่านเข้ามาส่งผลต่อท่านไม่ได้เช่นกัน จริงๆไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับจะให้แนวคิดไว้หลายแบบไว้ได้พิจารณาเพิ่มเติมเพราะการสงสัยบางเรื่องอาจทำให้เกิดค้านในใจและเลยพานไม่ยอมเชื่อสิ่งที่เป็นสาระสำคัญไปได้เหมือนกันสำหรับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องประดับก็อยู่ในหลักของความยึดมั่นแต่ละบุคคลแม้จะบอกว่าเป็นชุดของชาวโลกทิพย์โดยตรงแต่ให้สังเกตนะครับว่าจะมีลักษณะที่เคยชิน ที่ดูแลคล้ายกับจุดในลักษณะที่ฝรั่งคุ้นเคยจะมากกว่าซึ่งเคยหมายเหตุไว้บทก่อนแล้วจะขอย้ำอีกทีนะครับการเล่าของแต่ละศาสนาแต่ละประเทศนั้นมักจะพบเจอเทวดาแต่งชุดแตกต่างกันไปคนละอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกับสภาพของนรกที่ของท่านคือหนาวทรมานแต่นรกของเราจะเป็นความทุกข์แบบร้อนแรงทั้งนี้ก็ยังเข้าตรงหลักที่ว่านี่คือสวรรค์ที่ยังมีความยากอยู่มากเป็นชั้นต้นๆเท่านั้น ให้ลองดูถึงเรื่องเสื้อผ้านะครับตามความรู้สึกแบบของพวกเราลองคิดนะครับว่าเสื้อผ้าของเทวดานั้นทำไมต้องคลุมถึงเท้าทำไมต้องมีจีบทำไมต้องมีเครื่องประดับในแบบที่ท่านรู้จักทำไมไม่ใส่ชฎามีสร้อยสังวานหรือเครื่องประดับแบบความเชื่อของไทยก็เพราะแต่ละชนชาติมีความเชื่อความพอใจต่างกันเมืองไทยร้อนชุดเทวดาในความทรงจาที่แสดงออกมาส่วนใหญ่จึงมักเป็นชุดโปร่งเบาสบาย บางทีเปลือยอกด้วยซ้ำคนที่เติบโตมากับภาพเหล่านี้จะฟังข้อมูลในจิตใต้สำนึกไปแบบไม่รู้ตัวและจะแสดงออกมาให้เห็นชัดในโลกทิพย์โดยเฉพาะชั้นแรกๆที่ยังมีความใกล้เคียงมนุษย์อย่างมากการศึกษาเรื่องโลกหลังตายจึงต้องย้ำตรงนี้ไว้เสมอนะครับว่าเป็นเพียงภพภูมิส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันตามจริตไปได้อีกมาก